ผัวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสัสนิสนทนาที่จะมาพบกับท่านทั้งหลายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งในเวลานี้ที่เรามาพบกับท่านทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะคะเพื่อที่จะให้ท่านได้ความรู้ว่าพระพุทธนั้นได้ตรัสสอนอะไรเราไว้บ้างและคําสอนของท่านที่สามารถใช้ประโยชน์กันได้เรื่อยมานั้นมีรายละเอียดเป็นอย่างไร มีพระภัยบุญกับพิบุญ โ, โ, โนนะคะจากวัดปาดอนไฮโซดอนทานงจะมาเป็นผู้ให้ความรู้กับเราไปกราบน้ักสการ์ท่านกันคะ่ะน้องนักสการ์ทัา น, น, ค, นค่ะเจมพาค่ะก็ยังเป็นสัปดาห์ที่เราก็กราบเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของการดับทุกข์ถูกไหมคะเชมพาใช่ ท, ทางของเราท่านทั้งหลายนี่แหละอืมทางให้ถึงดับความดับทุกข์ค่ะทางที่จะแก้ปัญหาหลักทีนี้ค่ะทีนี้ เมื่อวานเนี้ยท่านได้พูดไปถึงว่าถ้าจะสามารถประครับประคองให้เราอ่ไม่ต้องไปออกนอกทางไม่ต้องไปออกนอกทาง <c oughs> ในการที่จะดับความทุกข์เพราะท่านกำลังจะบอกท่านทั้งหลายว่าวันเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะยังมีความรู้สึกโอ้เรายังไม่ได้เข้าไปปฏิบัติทำสุดตรงแบบเพื่อนๆ น, นะคะแต่ชีวิตประจําวันของท่านที่ท่านสามารถ ดับความร้อนใจพื้นๆของท่านได้เนี่ยเท่ากับว่าท่านกําลังได้ทําตาม<ช>มาัตตหรือหนทางของการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าแล้วใช่ใชอย่างเรื่องการที่เข้าไปอยู่ที่วัดไปนั่งสมาธิเจวันสวัน10วันอะไรก็แล้วแต่นะ่ะนั่นเป็นรูปแบบรูปแบบการปฏิบัติอย่างหนึ่งค่ะน ะ, อ, ะอย่างเช่นพระสงฆ์ก็มีรูปแบบว่าต้องห่มผ้าต้องทําอะไรนี้นะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเราเป็ น, นาาคาลว่าเราก็ ปฏิบัติทําได้อยู่ที่บ้านได้ปฏิบัติทําในที่นี่หมายถึงว่าคุณมีธรรมะอยู่ในใจได้คุณทํางานขยันขันแข็งคุณพูดดีกับลูกกับผัวกับเมียนะสื่อสารกันอย่างดีมีจิตใจเมตตาเนื่อคุณอยู่แนวมัม่งหมดเลยคุณปฏิบัติธรรมอยู่แล้วค่ ะ, ะดีแล้วคือมีความเห็นชอบมีความดําริชอบมีวาจาชอบมีความเพียรชอบใช่การงานชอบอาชีพชอบใช่มีความระลึกชอบและความตั้งใจมั่นชอบใช่สติ<น>สมาธิก็มีใช่ค่ะ ทีนี้ท่านเดี๋ยวฉันได้ขึ้นต้นเอาไว้ว่าวันนี้อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับสมาธิที่ยิ่งยวดขึ้นขึ้นไปแล้วก็อยากจะกราบเรียนถามท่านชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าสัมมาสติจะมาก่อนแล้วก็เป็นสัมมาสมาธินะคะสเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ห่างไกลกันมากแตกต่างกันอย่างไรและโฟกัสคือเน้นไปที่ สัมมาสมาธิเลยนะคะว่าจริงๆที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเป็นคํารู้รายยิ่งใหญ่จะต้องมีการตระเตรียมตัวมากๆแล้วก็ดูเหมือนกับเป็นเรื่องเป็นลาวนะต้องตั้งใจนะถึงจะได้ในสิ่งเหล่านี้มา<ช>ค่ะตอนนี้เราเข้าใจพื้นฐานเบื้องตน้นละว่าอย่างสมาธิที่เราพูดถึงทั่ๆไปคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนะความ<ฆ>ที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นเราอยู่บ้านอ่านหนังสือจิตเป็นอารมณ์เดียวกับเรื่องของหนังสือที่เราอ่านอยู่นั่นแสดงว่าคุณมีสมาธิละ ระดับหนึ่งคุณทำข้อสอบแต่คุณต้องโฟกัสอยู่กับข้อสอบคุณจะไปคิดนอกเรื่องนอกราวไม่ได้เขามาเปิดกระตูนอยู่ข้างๆเราก็จะต้องไม่สนดังนั้นแสดงว่าคุณมีสมาธิระดับหนึ่งละไม่ว่าจะเป็นการประชุมการคิดงานการสื่อสารอะไรต่างๆมันจะพูดกันรู้เรื่องก็ต้องมีจิตเป็นอารมณ์มันเดียวในระดับหนึ่งแล้วแต่ทีนี้ไอ้ความที่จิตเป็นอารมณ์มันเดียวเนี่ยก็ต้องระวังว่าแม้แต่ไอ้เจ้าโจรที่เขาจะล้วงกระเป๋าอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีจิตเป็นอารมณ์มันเดียวนะ เขาจะจ่อเพ่งเล็งอยู่ว่าตรงนั้นจะหยิบชั่วพัวเนี่ยแมจิตก็เป็นสมาธิมากนะพระเจ้าก็จึงต้องพูดถึงเรื่องของสัมมาสมาธนะิเพราะมิจฉาสมาธิก็มีนะเราจึงกำลังพูดถึงเรื่องของสัมมาสมาธินะ ส, มาสมาธิมันจะต้องมีองค์ประกอบที่ว่าอะไรอยู่บ้างในนี้นะซึ่งสติกับสมาธิเนี่ยมันก็แตกต่างกันในอย่างเวลาที่เราทําอยู่ที่บ้านนะคุณ ทำงานอยู่คุณมีจิตใจตั้งมั่นเป็นเนเดียวแต่บางทีมันก็คิดเพ้อเจ้อฟุ้งฟ้าฟุง้งซ่านไปบ้างนะการที่ฝึกที่เป็นรูปแบบจริงจะช่วยได้เช่นว่ามาวัดแล้วคุณก็มาทําสิ่งที่เรียกหนะลีกเล่นราก็จะทําสติสมาธิให้เกิดขึ้นได้แล้วไอ้เจ้าสติแต่ต่างกับสมาธิอย่างไรนะคือบางทีเรามีสติแต่เราอาจจะสมาธิยังไม่เกิดเนะช่นว่ า, เ, าเรามีความคิดฟุง้งซ่านแตนะ่บางคนไปนั่งสมาธิเนี่ยมีความคิดฟุง้งซ่าน แต่ว่าสมาธิไม่เกิดเพราะมันฟุง้งซ่านอยู่แต่ว่าเราก็มีสติระลึกรู้นะรู้ว่าเอ้เราฟุง้งซ่านอยู่แต่ว่าความฟุง้งซ่านนั้นยังละไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องชัดเจนในมาสติปฐานสูตรที่พระเจ้าได้บอกถึงว่าคุณมีสติในขณะที่มีนิวรณ์ได้คุณยังมีความอากุศลอยู่และคุณมีสติระ ล, ลึกรู้อยู่ว่าเอ้ยอกุศลมันเกิดนะแต่ยังละไม่ได้จนกระทั่งเมื่อไหร่ในที่คุณละอกุศลได้หมด นะละไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นนิวรณ์เครื่องกลางกั้นะความฟุ้งซ่ันดับไปแล้วหมดไปแล้วนะตรงนั้นแหละที่เหลือเนี่ยคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจะเป็นสมาธิไดนะ้สติกับสมาธิจะแตกต่างกัตรงนี้ <Okay. S 1> แล้วก็หลังจากที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนะเป็นอารมณ์เดียวเวลาที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดเลยนะมีความคิดอยู่ก็ได้ แล้วไอการที่เรามีความคิดอยู่นั้นก็ต้องเป็นความคิดเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียน3อย่างนี้นะเป็นองค์ประกอบที่1เราก็ต้องมีปีติด้วยมีสุขด้วยอยู่ในกายของเราอยู่ในใจของเราในะปีติสุขก็คือลักษณะของความอิ่มเอิบใจความสบายใจนะอย่างเช่นว่าเราได้ไปทําบุญด้วยการให้ทานสักที่ใดที่หนึ่งอย่างเงี้ยจิตเราไม่ได้คิดว่าจะเบียดเบียนใครทราบเราก็หามาอย่างดีเราไม่ได้มีอกุศลธรรมทางความคิดตรงนี้ละ แล้วเราให้ไปเนี่ยเราก็มีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความสุขใจนะตตัวนี้ก็คือเป็นสมาธิระดับที่1เลยนะโดยที่ยังไม่ได้ว่าจะต้องอยู่ในท่าใดาท่าหนึ่งด้วยซ้ำทีนี้ไอสมาธิที่พระพุทธเจ้าหมายถึงสัมมาสมาธิเนี่ยอินายาญหนึ่งก็อธิบายไว้นะถึงองค์ประกอบ7อย่างนะไล่มาตั้งแต่สมาธิทิสัมมาสังกปะจกนกระทั่งถึงสมาสติ7อย่างแรกเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็น1อยู่ นะแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าส ม, มาสมาธิได้เหมือนกันอันนี้เรื่องนี้สําคัญนะนะคะอันนี้ก็เรียกว่าทําความเข้าใจในเรื่องของสมาธิให้ท่านทั้งหลายเลิกกลัวสมาธิแบบคะ่ะดูเหมือนแบบว่าท่านอยากพูดให้ง่ายเข้เาใจในแง่มุมอื่นๆด้วยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบโอ้ฉันทําไม่ได้หรือต้องไปวัดเท่านั้นไม่ใช่ แต่มันอยู่กับเราตลอดเวลามันเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตอาจจะเกิดองค์ประกอบตรงนั้นอประกอบตรงนีนะ้เราก็ไปคิดว่าสมาธินี่ต้องนิ่งไหวติง้งไม่ไหวติง้งยิ่งตไม่คิดอะไรเลยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะ ก, ก็ตรงนั้นก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันจะพูดว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้แต่มันก็ค่อยเป็นค่อยไปในะระดับแรกๆที่เราคุยกันรู้เรื่องยังโฟกัสอยู่ได้ยังพูดกันรู้เรื่องนี่ก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งเหมือนกันคนะ่ะแล้วก็ท่านพยายาม ให้เราเข้าใจว่าไอ้ที่คิดว่าเวลามีสมาธิแล้วความคิดไม่ต้องมีเลยน่ะมีได้ถูกต้องมีได้ไอืมแต่ว่าเป็นสมาธิลำดับต้นแรกใช่แรกอันแรกเลยอันที่หนึ่งเลยในลันกษณะของชานหนึ่งฌานหนึ่งที่ไม่มีความพยาบามเบียดเบีย น, ยนความคิดในทางการไม่มีแตนะ่ซึ่งปกติเราส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคือคนที่มีจิตธรมธรมดาธรรมดาไม่ได้คิดฟุ้งซ่านอะไรมากเนี่ย ส่วนใหญ่จิตของเขาก็จะอยู่ในสมาสังกปะอยู่แล้วนสมาสังคปะอยู่แล้วแล้วองค์ประกอบที่จะเพิ่มขึ้นมานะคือสมาสังกปะอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ใช่มไม่ใช่ชาหนึ่งนะไม่ใช่แต่มันต้องมีองค์ประกอบขึ้นมาคือความสบายใจความอิ่มเอิบใจมีปีติมีสุขอันนั้นนั่นนั่นถึงจะเป็นสมาสมาธิขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งเนาะค่ะแล้วก็ทีนี้ไหนๆก็อธิบายให้เข้าใจพื้นๆกันแล้ว ดิฉันว่าเราทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสเขาเรียกอะไรคะได้เข้าสู่ความเชื่อที่ว่าเรารู้แล้วว่าจ ะ, ะปฏิบัติสมาธิอย่างเป็นรูปแบบกันดีไหมแล้วก็ดีอย่างไรแล้วก็ทำอย่างไรด้วยคะ่ะนี่แหละคือประเด็นเพราะว่าอย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่ว่า เ, เราอยู่บ้านเราก็คิดว่ามันทำได้ในระดับหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันทำได้แน่นอนแล้วก็ ถ้าเราต้องการทําให้มันลึกซึ้งขึ้นไปนะลึกซึ้งขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเออการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมันอาจจะช่วยได้จะช่วยได้มากกว่าเพราะว่าเราก็ต้องละภาระทางบ้านบ้างจะมามาอยู่เป็นผู้หลีกเล่นหลีกเล่นตรงนี้จะช่วยได้การหลีกเล่นเนี่ยจะทําให้รู้ตามที่เป็นจริงเห็นจริงในเรื่องของมรดกได้แต่เพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่หลีกเล่นเป็นลักษณะไหนนะก็คือคุณวางภาระต่างๆนะเป็นผู้ที่อยู่ง่ายๆกินง่ายๆนะมี ความเป็นอยู่สบายๆนะไม่ต้องมีภาระมากอยู่ป่าแล้วก็ฟังธรรมะมีภาระน้อยมีกิจน้อยแล้วก็ฝึกปฏิบัติอันนี้จะช่วยทําให้จิตของเราเนี่ยมันสงบลึกหรือว่าเราเห็นจิตของเราได้มากขึ้นอันนี้จะช่วยได้ <ฮะ S 1> <อ>ทำไมทำไมถึงช่วยได้นะเพร่องจากว่ า, าการที่มีภาระมากๆเนี่ยมันก็แน่ละมีภาระมันก็ต้องเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ปุ๊บถ้าจิตสติไม่มากพอ จิตก็จะวันไหวไปตามอารมณ์แล้วก็กลับมาที่เราคุยกันเมื่อต้นสัปดาห์แต่ถ้าภาษาเราลดภาษาลงลดภาษาลงแล้วเราเทรนกําลังจิตของเราให้มีมากขึ้นะโดยการฝึกสติโดยการฝึกอะไรเนี่ยเรากลับไปเชื่อภาษาอีกครั้งหนึ่งภาษานั้นจะทําอันตรายเราได้ไม่มากเท่าตอนแรกจึงเป็นการควรที่เราจะเมื่อลดภาษาลงเราก็ฝึกจิตให้มีกําลังมากขึ้นเราจะไปต่อสู้ตรงนี้ได้ ถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับทหารเวลาที่เขาฝึกกองกําลังเขาจะไปรอให้ศัตรูมาแล้วค่อยฝึกเนี่ยไม่ได้ก็ต้องฝึกก่อนที่ศัตรูจะมาอย่างงี้นะค่ะ ม, มันก็ควรใช่ไหมคะที่จะไปฝึกใช่ต้องทําเลยเป็นกิจที่ต้องทํำคือทํามากทําน้อยนี่ก็ก็เรื่องหนึ่งตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยแต่ยังไงมันต้องมีมต้องมีค่ะดิฉันเวลาไปในกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประสงค์เนี่ย บันทีท่านก็บอกอ่านั่งสมาธิเหมือนกับว่าอสมาธินี่เป็นของ ต, ตื้นพื้นพื้นซึ่งบางครั้งเราก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะคนรอบข้างเรามากับเราเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาทาสมาธิเป็นหรือเปล่าทําไมประสงค์พูดแค่อ่ามานั่งสมาธิกันสักหน่อยสิดูเหมือนไม่มีรูปแบบอะไรเลยใช่ใช่ใช่ใชรูปแบบในที่นี้เนี่ยที่อาจารมาหมายถึงเนี่ยอมันมันอยู่ที่ว่า อย่างเช่นว่าบางคนบอกต้องนั่งคูขาหรือต้องนั่งพื้นต้องนั่งเก้าอี้ต้องทํามืออย่างนี้อ่าอย่างนั้นก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอีกอีกแบบหนึ่งนะคืออาจจะไม่ใช่ถึงลงรายละเอียขนาดนั้นแต่รูปแบบที่อาตมาหมายถึงเนี่ยคือความเป็นอยู่ง่ายๆคุณวางภาระต่างๆมาคุณอาจจะต้องปิดโทรศัพท์บ้างคุณอาจจะต้องใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าเลิกการงานลางงานมานี่คือรูปแบบที่อาตมาหมายถึงอ่าแต่อีเรื่องท่านั่งเรื่องอะไรตรงนี้มันอ่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ, ๆน้อยๆรายละเอียดเล็กน้อยที่เรา จะผ่านไปก็ได้นะซึ่งไอาการที่เรามาหาความสงบตรงนี้สัพที่ถูกที่เฉพาะเนี่ยเขาเรียกว่าการหลีกเลนหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสเราก็ควร ถ, ถ้าสนใจก็ควรที่จะฝึกฝนเพื่อที่จะได้วิธีที่ถูกต้องนะคะเรีย น, นเข้าใจว่าใช่ใช่คือมันต้องทำเลยล่ะคุณหยมติวมันต้องทำคือถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็จะชีวิตเราก็ดาเนินไปได้ไม่มีปัญหาแต่มันก็จะ ช้าก็ใช่ไหมมันก็จะ ค, อค่อยๆเป็นค่อยๆไปดาเนินไปได้ตามที่มันเป็นนั่นแหละเหมือนกับว่าถ้าสมมติท่านคิดว่าท่านมีความร้อนใจมีความทุกข์มากกําจัดยากรู้หลักการแล้วแต่ก็ยังทําไม่ได้สักเท่าไหรอ่อย่างเงี้ยต้องมาฝึกปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลเร็วขึ้น<ช>ดีขึ้น<ช><ช>หรือไงคะฝึกเป็นเรื่องเป็นรา ม, มันก็จะได้ผลดีขึ้นเร็วขึ้นแน่นอนนะคะเราะนั้น <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราก็ น, น, น่าที่จะอฝึกฝน กันเอาไว้วันนี้ฝึกเบื้องต้นสักหน่อยก่อนดีไหมคะก่อนที่จะไปได้วิธีที่วิธีที่พระเจ้าให้ฝึกในตัวพระคเองก็ทําเองก็คือการที่มาสังเกตลมหายใจนะคือจะมาอยู่ที่นี่คุณยมติ๋วอยู่ที่บ้านถ้าเราฟังก็อยู่ที่บ้านของตัวเองเนี่ยฟังตรงนี้เราฝึกไปได้เลยนะโดยการที่เราสังเกตลมหายใจนะลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกเนี่ยมันมันเป็นลมธรรมชาติอยู่ละในเวลาที่มันผ่านเข้ามันก็จะมีการกระทบ อย่างลมพัดลมลมแอร์หรือลมธรรมาชาติเนี่ยมันกระทบผิวเราเราก็จะรู้สึกได้เช่นเดียวกันลมที่ผ่านเข้าไปในโพรงจมูกของเราเนี่ยมันกระทบที่ตรงไหนแต่เราก็เอาจิตของเราเนี่ยจ่อไว้ที่ตรงนั้นเอาจิตของเรามาระลึกถึงตรานั้นเอาจิตของเราเนี่ ย, ม า, าายมากําหนดรู้ตรงนั้นในะจุดที่สัมผัสของลมถ้าแปลว่าเรายังไม่รู้ระลึกไม่ได้เราก็หายใจแรงๆสัก2 3ครั้งแตนะ่พอเราหายใจเข้ า, ขาหายใจออกแรงๆสัก2 3ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมที่ไหนเอาจิตของเราไว้ไที่ตรงนั้น นะพอเอาจิตของเราไว้ที่ตรงนั้นณนะวินาทีที่ลมจิตนะมาอยู่ด้วยกันณนะที่โพรงจมูกเนี่ยนั่นคือสติเกิดขึ้นทันทีนะจิตของเรามีสติเป็นที่เล่นไปละจิตเป็นที่แล่นไปสู่สติทันทีนะอารมณ์ใด ๆ, ๆที่เกิดขึ้นมันก็จะหลุดพ้นมีวิมุติหลุดพ้นจากอารมณ์ต่างๆตรงนั้นได้ทําแค่นี้เลยคุณปฏิบัติทันทีง่ายๆมากนะครับฟังดูแล้วง่ายมากวิธีนี้เป็นวิธีเดียว ในการปฏิบัติสมาธิหรือไม่คะแล้วก็ถ้ามีหลายวิธีวิธีนี้พระพุทโ์ได้เรียกว่าอย่างไรแล้วก็จะเป็นพุทธพจน์ ท, ที่ตรัสแบบที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ที่เราควรทราบอย่างไรคะ้าพูดถึงวิธีเนี่ยนี่เป็นวิธีเดียวแล้นะวิธีที่พูดถึงก็คือมรรควิธีนะหมายถึงว่าคือเรื่องของสติแต่ถ้าพูดถึงเครื่องมือนะมันมีเครื่องมืออีกหลายอย่างที่ทําให้ได้สติขึ้นมา นะัสตินะเป็นวิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นนะ <Okay. S 1> แล้วเครื่องมือที่ทําให้ได้สติมีอะไรบ้างอย่างที่เราพูดเมสสักู่คือเรื่องลมหายใจ่ทนำะให้คุณได้สติได้อันนี้วิธีที่หนึ่งยังมีอีกตั้ง10กว่าวิธีเช่นคุณอาจจะระลึกถึงพรุรชาวก็ได้คุณาาระลึกถึงพระรชาวก็เป็นพุทธานุสติแต่อนะย่งอางระลึกถึงลมหายใจก็เรียกว่าอานาปานาสติคุณอาจจะระลึกถึงการที่เราเคยไปให้ใหทานบริจาคที่นั่นที่นี่ทำบุญกตินั่นนี่อันนี้ก็เป็นจาคานุสตินะระลึกถึง เรื่องของศีลที่เราเคยทำศีลได้เราละสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำสิ่งดีนั่นก็เป็นศีลหลานุสติโอ้มีเครื่องมือตั้งสิบกว่าอย่างตรงนี้อือค่ะสติเป็นหนทางเดียวใช่นะคะแต่วิธีการที่จะได้สติมีสิบกว่าวิธีมีเครื่องมือตัดสอนไว้ใช่ค่ะและอย่างที่ท่านบอกว่าให้รู้ลมหายใจเมื่อสักครู่นี้ ก็เป็นอาณาปานาสตินั่นเองเป็นอาณาปานาสติเยี่ยมมาะะเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องไปถามในวันพรุ่งนี้ว่าอาณาปานาสติเนี่ยพระพุทธองตัดไว้อย่างใดดีไหมคะได้ได้เยี่ยมผ่นะคะวันนี้ก็กราบนมันสการขอบพระคุณท่านเป็นบุเป็นอย่างยิ่งค่ะเยี่ยมผ่นค่ะท่านฝังที่ทคารพค่ ะ, ะการฝึกที่จะทําให้เกิดสตินั้นมีวิธีนะคะแล้วก็ วิธีที่ท่านพิบูลมาแนะนำที่เข้าใจว่าเป็นวิธีที่น่าจะง่ายหรือคือมีเครื่องมือที่ละเอียดลงไปก็คือตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เครื่องมือนี้อยู่กับเราแน่นอนคือลมหายใจใช้การรู้ลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เรามีสมาธิมีอารมณ์เป็นอันเดียวแล้วก็ทำให้มีสติได้ ติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พุณทวัสสวัสดีค่ะ